รวมเสียงธรรมชุดที่หนึ่งซีดีเสียงอ่านหนังสือและบทความเชิญคุณธรรมอ่านโดยโจโฉแจกฟรีเป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมสมทบทุนหลายท่านผ่านทางเว็บไซต์โจโฉดอทเน็ตสามารถนำไปออกอากาศเผยแพร่และสำเนาบันทึกแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปจาหน่ายเป็นการค้าเท่านั้น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 สำหรับท่านที่สนใจเสียงอ่านหนังสือในรูปแบบนี้รวมถึงธรรมะอื่นๆอีกมากมายสามารถติดตามดาวโหลดได้ฟรีและลงชื่อขอซีดีได้ฟรีที่เว็บไซต์ jocho.net สามารถนำไปเผยแพร่สำเนาลงซีดีแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม